คุณตาสกุลคุณหมออุไรวันกน็ทราบข่าวว่าท่านตั้งเป็นสำนักธรรมปฏิบัติธรรมอยูุที่สวนแสนธรรมต่อมาท่านอายุมากแล้วท่านก็มองไม่เห็นใครก็เห็นแต่องคลุงตาที่จะไปอยู่จุดนั้นได้เป็นประกาศให้ธรรมะแกาาศรัทธาญาติโยม ท่านก็ได้มอบสวนช่งทําให้หลวงตาที่หลวงพ่อทราบมานะอะจากนั้นหลวงตาก็ยินดีรับเพราะว่าเป็นลูกศิษย์เก่าแก่ดั้งเดิมเอแต่ก็รับพอ ร, รับท่านก็ไปอยู่พอไปอยู่ท่านก็ศรัทธาญาติโยปายุใหม่ๆก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันนะั่นหลวงตาก็ไปก็บิดา บ, บาดลําบากเหมันกันมาอยู่ไกลพ อ, ม อ, อไม่คาดไม่คิดเหมือนกันว่าถนนสายนั้นมันจะใหญ่ถึงนขนาดนั้นขึ้นมาอีกออพุทธมณฑลสายสอง พอต่อมาหลวงตาก็ไปอยู่ก็คณะจัตยาญาติโยมคนหลังไหลเข้าไปเท่นี่นครูบาอาจารย์ทางอีสานของเราสมัยนะั้นก็มีหลวงปู่เทศหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่ไรแต่หลวงตาก็ยังเล็กนะพอครูบาอาจารย์เหล่านั้นใหญ่กว่าจัตยานญาติโยมรู้จักมากพอครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่โรงโรยไปหลวงตาก็โดดเด่นขึ้นมาเท่นี่พราะนั้นหลวงตาก็เลยดัง ระเบิดเถิดเทิงกว่าองค์ไหนๆทั้งหมดเลยท่ น, นจากนั้นธรรมะของท่านธรรมะของหลวงตาก็รู้สึกว่าเป็นธรรมะที่ยอมรับได้ทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติแต่ครูบาอาจารย์รุ่นใหญ่ท่านพูดดวยมากพูดทางภาคปฏิบัติจะมากกว่าทางฝ่ายปริยตินี่ก็รับได้บังไม่รับไปได้บัง คอยอะไรเพราะท่านพูดออกมาจากภาคปฏิบัติของท่านผู้ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยมันก็ฟังดูแล้วมันก็มันไม่ซึ้งนะ่ยไม่รู้พูดเรื่องอะไรแต่ว่าถ้าพูดได้ปฏิบัติแล้วก็ฟังได้แต่สําหรับของหลงตาอนะไรเลยงตาท่านได้ทั้งปริยัติ ด, ด้วยทั้งปฏิบัติด้วยท่านเป็นมหาป ร, รีญแล้วก็ภาคปฏิบัติของท่านก็ปฏิบัติการหลงปู่มันท่านก็ไม่ไม่แพ้ใครไม่เป็นรองใครอะ ในภาคปฏิบัติทั้งฝ่ายปริยัตท่านก็ได้เป็นมหาเปลี่ยนสามประโยคเพราะนั้นท่านเอาความรู้ทางปริยัตที่ได้ศึกษามาทั้งหมดในพระไตรปิฎกท่านเอาความรู้มาทางภาคปฏิบัติมามาผนวกกันในเมื่อมาผนวกกันนะทั้งฝ่ายปฏิบัติเนี่ยก็ยอมรับเพราะท่านปฏิบัติมาแล้วท่านพูดตามความเป็นจริงทั้งฝ่ายปริยัตทั้งฝ่ายปริยัตก็ยอมรับอีกเพราะว่าท่านได้ศึกษามาฝ่ายปริยัต ถูกตามประไตรปิฎกถูกตามหลักพระธรรมวินยัยแต่ว่าครูบาอาจารย์ฝ่ายกรรมฐ า, านเะนี่ยท่านปฏิบัติไม่ถูกตามหลักพระธรรมวินยัยพี่แจไม่ใช่หลักพระธรรมวินัยของท่านแน่นแข่งคลัดมากท่านปฏิบัติตามบุพสิกขามหาขันธ์เรื่องในพระวินยัยหาที่ตําหนิท่านไม่ได้เคร่งคลัดมากในพระวินยัยแต่ว่าเรื่องภาคปฏิบัติธรรมมปฏิบัติที่ท่านปฏิบัติท่านอธิบายไม่ชัดเกณฑ ท่านเปรียบเทียบไม่ได้แต่ของหลวงตาเนี่ท่านเปรียบเทียบทั้งปริยัติที่ท่านปฏิบัติมาอย่างนี้นี่ปฏิบัติเป็นอย่างนี้นี่ปฏิบัติเป็นอย่างนี้นี่ปริยัติมาเป็นอย่างนี้อย่างยกตัวอย่างเช่นในหลักธรรมก็ว่าศินอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาอันนี้คือหลักทั่ ว, วไปในพระไตรปิฎกแต่หลวงตาท่าน พูดย้อนหลังแทนท่านว่าปัญญาอบรมสมาธิเพียงคํานี้คำเดียวแต่ละพวกปริยัติทางหลายงงเลยแตเนี่อ้าวทำไมมหาบัวออกออกแหวกแนวเลอะเลยเนี่ยอทําไมจึงว่าปัญญาอบรมสมาธิเนี่เพราะเหตุไรเนี่ยหลวงตาได้อธิบายให้ฟังว่าที่ว่าปัญญาอบรมสมาธินั้นขณะที่เรานั่งสมาธิ กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทรเรื่องว่ากรรมฐานไหนกน็ตามที่ว่ากรรมฐานสนะี่สิบเนี่ะที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้นะี่แต่ว่าขณะที่นั่งภาวนาเนะี่ยใจมันหลุดออกบ่อยใจมันหลุดใจมันหลุดออกจากสมาธิที่ตัวเองตั้งกำหนดไว้นีก็เอา้าทำไมมันอยากจะออกให้มันออกอยู่ในกายสิกำหนดกายเลย เอยสาผมโลมาโคดหน้าขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเกี่อนในกระดูกจะนั่งไล่กระดูกเท่ น, นี่ยกระโหกศีรษะกระดหกคอกระโห ก, กแขนกระโหกนิ้วมือไล่ไปหมดกระดูกในร่างกายทบทวนดูหมดแล้วก็ย้อนไปย้อนมาคือถึงใจมันจะออกไปข้างนอกก็จริงอยู่แต่ให้มันอยู่ในกายให้มันอยู่ในกรรมฐานในกายคือมันจะอยากจะคิดอใจไม่อ ย, อยากจะอยู่ ใจไม่อยากจะอยู่นิ่งแต่มันใจอยากจะคิดเอาก็ให้มันคิดแต่ให้มันอยู่ในกายนี่เมื่อพิจารณาคิดหลายครัง้งแต่ลายขนใกล้ๆบอกจากกระโหลกศีรษะจนถึงฝ่าเท้าจนกระดูกเท้าคิดถึงกระดูกเท้าจนกระโหลกศีรษะคิดย้อนไปย้อนมาย้อนไ ป, ย, นไปย้อนมาย้อนมาย้อนไปจนความรู้สึกขณะที่พิจารณาอยู่นั้นะชัดเจน เห็นกระดูกตรงไหนที่ชัดเจน เ, เห็นกระดูกหลังหรือกระโหลกศรีรษะหรือกระดูกขาหรือกระดูกแขนให้ชัดเจนก็เอาจิตเอาตัวผู้รู้เอาตัวนึกคิดเนี่ยจ่อจอหรือว่าหยุดอยู่จุดนั้นเพ่งอยู่จุดนั้นแปลว่าเพ่งเข้าใจกำหนดอยู่จุดนั้นให้ดูรู้อยู่จุดนั้นในเมื่อเราพิจารณาหลายๆลายจุดทั่วๆไปแล้วมันชัดในความรู้สึกชัดอยู่จุดไหน ให้เอาสติจับอยู่จุดนั้นในเมื่อจับอยู่จุดนั้นจิตใจของเราก็รวมสงบเลยรวมสงบนิ่งเพิบเลยสินี่อยู่นิ่งไงพอใจมันมันคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกออพอรวมพบิบลงไปลวงตาท่ามนี่คือใช้ปัญญาปัญญาคือความนึกคิดแต่ว่าทําให้จิตใจสงบจัดว่า ปัญญาอบรมสมาธิลงตาทันแปลชัดเจนไม่มีใครเถียงเลยใช่หมยอมรับอใช่แต่ว่าสมาธิอบรมปัญญาทำยังไงสมาธิอบรมปัญญาไ่แเมื่อเรานั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทแล้วจะกรรมาฐานไหนก็าตามจะเป็นยุกนอพองนอ้องหรือจะเป็นอะไรก็สุดแท้แต่กรรมาฐานสี่สิบ เพราะพระุทธเจ้าท่านไม่ได้จำกัดว่ากรรมฐานนี่เลิอดประเสริฐที่สุดดีที่สุดท่านไม่ได้ว่าอย่างนั้นในหลักธรรมไม่มีแต่ว่าหลวงปู่มัน่นที่เป็นต้นตระกูลของพวกเราเนี่ยท่านบอกว่าอาณาปานาสติกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพร้อมบริกรรมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธ นี่ละกรรมฐานนี้อานาปานสตินี้พร้อมกับลมหายใจเข้าออกนี้โทรกับเกือบทุกเจริญหลวงปู่มั่นยืนยันอย่างนัน้ไม่ใช่ว่าทุกเจริตนะถูกกับทุกเจริตไม่ใช่อย่างนั้นเกือบทุกเจริตหลวงปูม่มั่นดันเพราะนั้นส่วนมากลูกศิตสายหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านจึงให้ภาวนากำหนดลมหายใจเข้าพดหายใจออกโทร เมื่อนั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบนะเวลาเรานั่งกัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วปนมมือขึ้นระหว่างอกนึกพุทธวย่ยรครูพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆว่ายครูคือว่ายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจจากนั้นก็เอมมือลงมือลงกําหนดลมหายใจเข้าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทธโธคือไม่ให้ใจของเรา คิดไปในอดีตไม่คิดไปในอนาคตเนยใจให้อยู่ในปัจจุบันที่ปลายจมูกเท่านั้นกําหนดลงพุโทพโธพุทเมื่อจิตใจของเราไม่ส่งไปข้างนอกใจของเราหรือจิตของเราหรือตัวผู้รู้ของเราจะอยู่ที่ปลายจมูกจากนั้นจิตของเราก็รวมสงบรวมสงบ เ, เป็นคณิกะอุปจาระอัปปนาไงสมาธิมีอยู่สามขั้นสุดแท้แต่จิตของ เราอยู่ในล็อกไหนเมื่อเข้าสมาธินิ่งเป็นจิตเป็นอัปปนาสมาธิดูกายดูใจเห็นกายเห็นใจใจกับใจใจกับกายถ้าเมื่อจิตของเราเป็นอัปปนาสมาธิเราจะรู้ได้ว่ากายกับใจใจกับกายคนและแนวกันคนและอย่างกันเหมือนกับรถกับคนขับรถอย่างนั้นเราอยู่ในรถแต่ก่อนเราก็รถคือของเราเราคือรถ แต่พอจิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิแล้วเราคนขับรถนี่กับรถนี่มันคนละอันกันคนละแนวกันเอเหมือนกับกายกับใจใจของเรากับกายเนี่ยจะเห็นได้ชัดด้วยตนเองเมื่อจิตรวมเป็นสมาธินี่แหละจิตรวมสงบ พ, พอจิตรวมสงบเป็นอัปปนาสมาธิรวมเป็นหนึ่งแล้วนะจากนั้นก็ถอนให้ให้ถอด หรือถอนถอนใจออกมาไม่เห็นนอนอยูเต็นตลอดนะไม่ให้สงบตลอดไม่ใช่การอยู่สงบตลอดนึงคือว่าสมถะคือจิตจิตใจสงบนรียว่าสมถะแต่ถอนออกมาจากสมถะคือเดินออกมาจากรถนเดินออกมาจากรถพิจารณารถเลยรถมีอะไรบ้างในรถมีอะไรบ้างมีหมอน้ํามีสายพานมีเครื่องยนต์มีอะไร เราก็ดูดูดูอันนี้ก็เหมือนกันในเมื่อเราออกจากร่างกายพิจารณาเมื่อออกจากกายเราก็พิจารณากายเกษาผมโลมาขนนาขาเล็ดทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมา้ามหัวใจตับปังผือไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าออุจจาระปัสสวะอยู่ในท้องของเราอยู่ในกายของเราร่างกายของเราเต็มไปด้วยของเหล่านี้อันนี้คือการพิจารณากายครับ ใจพิจารณากายใช่ไหอันนี้เรียกว่าสมาธิอบรมปัญญาคือทำจิตใจให้สงบซะก่อนใจให้เป็นหนึ่งซะก่อนอย่างที่ว่ารวมสงบเป็นอัปปนาสมาธิซะก่อนจากนั้นก็ถอนออกจากอัปปนาสมาธิถอนจากความสงบมาพิจารณาใช้ปัญญาพิจารณาร่างกายร่างกายตัแต่ศีรษะจนถึงเท้าพิจารณาถึงเท้าจนถึงศีรษะพิจารณาดูแล้ว คนเรามันหลงอะไรเรามันหลงอะไรใจมันหลงอะไรพิจารณาแล้วโอ้ใจของคนเรามันหลงร่างกายหลงร่างกายตนเองพอหลงร่างกายตนเองกรหลงร่างกายคนอื่นก็หลงทรัพย์สมบัติหลงยศถาบัรดาศักดิ์หลงไปหมดหลงวัดวาศาสนาอย่างหลวงพ่ออินก็หลงศาลาหลงวัดหลงลูกศิษย์ลูกหาหลงไปหมดเลเนี่ สรุปแล้วก็คือหลงกายตัวเองเป็นอันดับแรกนะอย เ, เมื่อพิจารณากายของเราเนี่ยมันจะอยู่ไปนานสักเท่าไหร่ใจอีกสักวันหนึ่งนะร่างกายนี่จะต้องแตกสลายนะตายนะเผาไฟทิ้งนะใจนะมันไม่ใช่ของจะยั่งยืนนะใจนะไอ้ น, นี้มาพิจารณาถึงใจ เ, นะเมื่อผมเห็นกายแล้วพิจารณาถึงใจใจกับพิจารณากาย ขนาร่างกายตัวเองแท้แทยังไม่ใช่ตัวตนของเร า, เาจะต้องล่มตายสลายในที่สุดถูกเผาไฟในที่สุดแต่ส่วนอื่นละ่ะจะเป็นของเราได้ยังไงใช่ไหมใจนเนี่ยนย่ไงถ้าในใจดูใจแล้วถ้านนี่นั่นแหะการภาวนาและการปฏิบัติธรรมคือไม่ให้หลงหลจากนั้นก็ไม่หลงใจใจแท้แทก็ยังไม่ให้หลงใจอีก น, น, นั่นแหะผลในสุดก็ปล่อยวางที่ใจนี่แหละทำคําสอนของพระพุทธเจ้านะ ที่พวกเราได้ศึกษาคณะสัตยาติโยมที่หลวงตาได้พูดท่านได้เรียนทั้งปริยัติท่านทั้งท่งทานได้ปฏิบัติด้วยแล้วก็ท่านมาศึกษากับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นคือต้นตระกูลของพระกรรมฐานหลวงปู่ท่านสอนอย่างไรท่านให้ภาวนาหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทภาวนาพุทธโทสรุปแล้วสายหลวงปู่มั่นนี่แหละ แต่ว่าตามไม่จริงถ้าสรุปแล้วก็คือพวกเราได้มาศึกษาและปฏิบัติตามแนวแถวสายหลวงปู่มั่นเนี่ยหลวงพ่อว่าเป็นผู้โชคดีนะทําไมทําไมหลวงพ่ออินจึงพูดเข้าข้างตัวเองไม่ใช่เข้าข้างตัวเองพวกเราดูดูรูปการสิดูเหตุผลสิเมื่อหลวงปู่มั่นมรณภาพลงไปเราได้ถวายเพลิงท่าน่ ไม่นานกระดูกของท่านกลายเป็นพระธาตุนะแล้วครูบาอาจารย์สายหลงปู่มัน่นพอท่านมรณะภาพลงไปแต่ละองค์กระดูกของท่านเนีกลายเป็นพระธาตุนะอย่างหลงตาก็เหมือนกันกระดูกของท่านก็กลายเป็นพระธาตุอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนะในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าองค์ใดก็ตามที่มรณะภาพลงไปแล้วกระดูกได้กลายเป็นพระธาตุนั่นแหละคือพระอรหรนะันต์ ท่านยืนยันอย่างนั้นท่านถือกันมาตั้งแต่ดึกตําบันเลยเพราะฉะนั้นพวกเราที่มาพบหลวงพ่อใ้นับถือปฏิปทาหรือว่านับถือพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นลูกศิษย์ลูกหาของท่านสืบทอดมาเนี่ยนับว่าพวกเราโชคดีอย่างมากสรุปแล้วเนะี่ยเพราะว่าเราได้เดินตามแนวแถวสายหลวงปู่มั่นก็เป็นสายของพระอรหรันต์ กระดูกของท่านแต่ละองค์เมื่อท่านล่วงรับไปแล้ว เ, เป็นสกีพย า, ยานให้เปรียบแก้ให้แก่พวกเราได้รู้ได้เห็นพวกเราน่าจะตายใจได้น่าจะเชื่อถือได้น่าจะเคารพนับถือเลื่อมใสในปฏิปทาหรือแนวทางของสายหลวงปู่มั่นให้พวกเราศึกษาเลยศึกษาในแนวแถวสายหลวงปู่มั่นแต่เมื่อศึกษาแล้วเราจะรู้ได้องไหนเดินผิดทางองไหนเดินในทาง คนไหนเดินผิดทางคนไหนเดินถูกทางเราก็จะรู้ได้ถ้าเราเดินผิดทางเราก็รู้คนเดินผิดทางใครเดินผิดทางจะเป็นพระเป็นโยมเป็นใครก็ตามเดินผิดทางเดินนก็ผิดทางาจะว่ายัางไงฮะเพราะมันเดินผิดทางแล้วจะว่าเดินถูกทางได้ยังไงถ้าเราได้ศึกษาแล้วเราจะรู้นะแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างที่ท่านพาดําเนินมาอย่างไรให้พวกเราปฏิบัติตามนั้นพวกเราต้างขอโชคดีอย่างมาก ได้เกิดมาแล้วได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านยังส่งมักส่งผลให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นอยู่นะตอนนี้ไปรับผ่อนในเน่น้าธุโมธนาให้พร